โยโซภาควาอารานังสัมมาสัมพุทโธพระภูมีพระภาคเจ้านั้นพระองค์ใดเป็นพระอารานั้นดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกสิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง สวากาโตเยนาภาคาวตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดตรัสไว้ดีแล้วสุปติปัโนยัสสาภะคาวะโตสาวกะสังโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ใดปฏิบัติดีแล้วตามมายังพระขวันตั้งสาธรรมมังสะสังขังอิเมหิสการะหิยาธาระนังอโรปิเตหิอาภิปุชยามา ข้าพระเจ้าทั้งหลายขอบูชาอย่างยิ่งซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นพร้อมท้งพระธรรมและพระทรงด้วยเครื่องส ก, การาทั้งหลายเหล่านี้อันยกขึ้นตามสมควรแล้วอย่างไร สาธุโนพันเตภักาวาสุจิรปาริณิพุโตปีข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปาริณิพานานานแล้วทรงสร้างคุณอันสำเร็จประโยชน์ไว้แก่ข้าพระเจ้าทั้งหลาย ปาจิมาชันตานุกรรมปามานาซาทรงมีพระหารืไทยอนุเคราะห์แก่พวกข้าพระเจ้าอันเป็นชนรุ่นหลังอิเมสการทุกขตาปันาการภุเตปติคันหาตูขอพระผู้มีพระภาคเจ้า จงรับเครื่องสักการะอันเป็นบรรณาการของคนยากทงางาลเหล่านี้อมหากางที่ครตังหิตายะสุขายะเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งลาลตลอดกาลนานเทิน